ไม่ปล่อยให้ท่านเคลื่อนไปสวยกรรมตามการก็ได้ถ้าคุณทราบชัดมีหลักฐานทางแพทย์ชัดเจนก็อาจปล่อยท่านไปโดยไม่ถือเป็นการฆ่าแต่อีกหลายกรณีจะก้ามกึง่งไม่แน่ไม่นอนหมอเองก็พูดไม่ออกบอกไม่ถูกว่าจะอยู่หรือไม่มีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ฟื้นคืนกลับมาเป็นดังเดิม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 ก็เคลื่อนมาคลุมจิตคุณเกือบครึ่งแล้วเพราะถือว่าขาดเมตตากับผู้ให้กาเนิดการขาดเมตตาเป็นตัวชี้ว่าไม่อยากให้อยู่ต่อยิ่งถ้าคิดอยากได้มรดกเซโรเรวอันนี้ถือเป็นปนานาติบาเต็มขั้นทันทีเพราะเจืออยู่ด้วยความโลภความโลภเป็นตัวชี้ว่าอยากให้ตาย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 ถ้าหลักฐานทางแพทย์ชี้ว่าตายอยู่แล้วแค่ช่วยให้หายใจไม่ได้แปลว่ายังมีชีวิตอยู่อันนั้นถอดเครื่องช่วยก็ไม่นับว่าค่า 2. ถ้าพยายามดิ้นรนทุกวิถีทางแต่ไม่มีเงินแม้เอาพ่อแม่เข้าโครงการอุปถรัรมภ์แต่หมอก็ไม่ยอมต่อชีวิตให้ ก็ทำใจคิดว่าคุณหมดแรงที่จะยื้อท่านไว้จากปากเหวแห่งมรณาอย่างไรท่านก็ต้องตกร่วงลงไปอยู่ดี